เก้าทุติยเทวจาริกสูตรว่าด้วยการจาริกในเทวโลกสูตรที่สอง1 5เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระมหาโมคลานะได้หายตัวจากพระเจตวันไปปรากฏบนสวรรค์ชั้นดาววดึงเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออก หรือคูแขนเข้าเช่นั้นลำดับนั้นเทพชั้นดาวดึงจํานวนมากเข้าไปหาท่านพระมหาโมคคลานะถึงที่อยู่อภิวาทแล้วได้ยืนอยู่หน้าที่สมควรท่านพระมหาโมคคลานะได้กล่าวกับเทพเหล่านั้นดังนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายหนึ่ง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 สัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์สองการประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมสามการประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์สี่การประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธิ เป็นความดีเพราะการประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจเป็นเหตุสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เทพเหล่านั้นกล่าวว่าท่านโมคลา น, นะผู้นิรัทุกข์หนึ่งการประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่า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 สัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงได้ไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์ทุติยะเทวจาริกสูตรที่9จบ